เมื่อวันที่26พฤษภาคมพศ2511ณวัดป่าบานตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยาเนสัมปนเอาการสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ดวงบรรดาท่านทุกความที่ต่างท่านต่างพร้อมแล้วที่จะก้าลวลดเพราะธรรมะที่ประกาศสอนไว้ลวนแนวแต่เป็นธรรมที่ เตือนจิตใจไม่ให้มีความประหมาานอนใจให้เตรียมพร้อมต่อเรื่องของตัวเสมอเรื่องใดในโลกไม่สำคัญและไม่ใหญ่โตเหมือนเรื่องของตัวเราทุกทุกท่านฉะนั้นธรรมะที่สอนไว้จริงเป็นธรรมะที่ สอนเพื่อความเตรียมพร้อมคนผู้มีความเตรียมพร้อมคือคนไม่ประมาทความไม่ประมาทในหลักธรรมะคือความไม่นอนใจจะอยู่สถานที่ใดไปที่ใดมาที่ใดในเอยบททั้งสี่ ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านในเมืองอยู่ในป่าหรือในวัดนอกวัดต้องเป็นผู้คอยสังเกตรับทราบยุธีทางเดินของจิตที่จะสั่งงานออกทางกายวาจาสมรเพราะจิตเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเป็นหัวหน้าในงานทุกๆแนน ไม่ว่าภายนอกภายนะันเราซึ่งเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งเป็นผู้จำเป็นอยู่ตลอดเวลาจิตคำว่าจิตทุกทุกท่านพอจะทราบแล้วเพราะเพราะได้แสดงมาเป็นเวลาานึ่นและในหลักธรรมะก็มีอยู่ ทุกแห่งทุกของกิจทําทำให้เป็นทองทั้งแท่งแล้วอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นเชนะ่นนั้นนอกจากจะถูกปกคุมหุ้มห่ อ, อไว้ด้วยดินด้วยยากเหยียบย่ำไปมาเท่านั้นเองจะไม่มีคุณค่าเพื่อผู้ใด เป็นเช่นเดียวกับวัตถุต่างๆที่เราเหยียบย่ำไปมาอยู่ไม่ผิดกันเลยทั้งๆที่ทองคำธรรมชาตินั้นเป็นของที่มีคุณค่าใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันสิ่งที่ปกคลุมทุมพ อ, อและเราเหยียบย่ำไปมาอยู่เวลานี้ก็คืออารมณ์ของเราเอง แต่เราเข้าใจว่าทางรูปทางเสียงติ่น้นเครื่องซ้ำผักมาเป็นเครื่องปกปุจิตใจของเราความจริงแล้วก็คือตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งสูตรเนื่องมาจากใจเป็นผู้บงการนี่แหละเป็นที่เคลื่อว้ า, วานสิ่งทั้งหลายเข้ามาปกปุมพุ่มหอดตัวเองยล้วเหยียบย่ำไปมานั้นหมายถึงว่ามองข้ามตนคือมองข้ามธรรมชาติที่ประเสริฐซึ่งมี อ, อยู่กับตัวของเราทุกๆขนาด จึงไม่เจอของที่มีคุณค่าแม้จะอยู่ในตัวของเราทุกคนกว่าตเพราะนั้นหลักธรรมะที่ประกาศสอนไว้เป็นธรรมที่รือ้อถอนและชี้แนวทางวิธีการต่างๆที่จะรือ้อถอนสิ่งปกคลุมหุ่หอมจิตใจให้ออกเป็นลำดับด้วยความเพียรงลราคำว่าความเพียร โปรดได้พิจณาให้ให้ถึงหลักธรรมความเพียรด้วยการท่องบุญเป็นอย่างความเพียรด้วยความสร้างอกสั้งใจพยายามดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยความมั่นใจไม่ลดละนี่จัดเป็นความเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ความเพียรถ้าได้เข้า สู่จุดใดจุดนั่นจะเป็นผลสำเร็จขึ้นมาเข้าในวงงานใดๆก็ตามถ้าไม่ใช่งานผิดสุดวิสัยของผู้จะเจริ ง, งท่านสอนไว้ว่าสีสมาธิปัญญานี่ไม่ใช่ทำเล็กนอนเป็นทำเครื่องรื้อถอนสิ่ง จอมปลอมทั้งหลายที่มีอภายในใจของเราให้ออกได้ด้วยทําเหล่านี้ทำนั้นแม้พระพุทธเจ้าองค์เป็นศาสดาของโลกก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์ได้เครื่มมูลแปลรประหลาดอันใด น, นอกไปจากธรรมะที่นํามาสอนโลกนี้คือสีนสมาธิปัญญาพระองค์ท่านเป็นพระองค์แรกที่ได้เห็นผลจากธรรมะทั้งสาม ประเภทนี้เป็นเครื่องแก่พระองค์เป็นปรากฏเป็นผู้บริสุทธิขึ้นมาในโลกแล้วเป็นาศาสดาสอนโลกตลอดมาคือเครื่องมืออันนี้แหละไม่มีสินใดที่จะผิดแปลกจากเข้าวากที่สอนสัตว์ล้วนแนวแต่เป็นผลที่ได้รับในพระองค์เองทางนั้นพระองค์ได้ผลอย่างไร ด้วยวิธีการอย่างไรก็นำวิธีการและผลนั่นๆมาสอนโลกไม่สอนให้ผิดจากทางเดินของพระองค์ด้วยผลที่พึงได้รับกอไม่ผิดแปลกจากพระองค์ด้วยศาสดาเป็นฉันใดธรรมะที่สอนโลกก็คือธรรมะของศาสดาทางดำเนินก็คือทางของศาสดาที่ได้ดำเนินแล้ว ผลที่จะพึงได้รับจากท่านผู้มีความขายันหมั่นเพียรก็คือผลดังที่พระพุทธเจา้าทรงได้รับแล้วเช่นเดียวกันเพราะเป็นทางสายดยีชี้เข้าจุดเดียวกันคำวมาจุดเดียวกันนี้ได้แก่อะไรถ้าพูสดส่วนรวมในตัวของบุคคลหนึ่งก็ชี้เข้ามาที่กายมาตาใจของเราแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละรายนะว่าถ้าชี้เข้าไปสู่จุด ใหญ่ที่เป็นจุดสำคัญยิ่งก็หมายถึงใจเพราะนาศีลจึงเป็นหน้าที่ของใจที่จะต้องนำไปขัดเกลารนเองระมัดระวังรักษาด้วยเจตนาสมาธิที่ท่านกล่าวไว้ก็เป็นเรื่องของจิตที่จะนำมาที่จะนาอบรมให้มีความสงบแน่วแน่ ตามหลักธรรมที่สอนไว้เพราะหลักธรรมที่สอนไว้คือศีงสมาธิปัญญาเป็นต้นนี้ไม่เป็นอื่นจากทางที่พระองค์เจ้าเจเดกไปแล้วทั้งผลที่ได้ปรากฏไม่มีการแตกแยกกันโปรดทำความมั่นใจในทางเดิมทีเพราะว่าที่สอนไว้ พยายามดำเนินตามหลักที่ท่านสอนอย่าให้ปีกแวะเราจะเอ า, าศาสดาที่ปลอมแปลงซึ่งมีอยู่ทุกแห่งทุกผลทุกอิรยาบททุกขณะใจเข้ามาเป็นเพื่องครอบงำจิตใจขับไล่ธรรมะของพระพุทธเจ้าออกจากใจของตนผลที่ปรากฏจะมีแต่ความปลอมแปลงเดือดร้อนบุบบานทั้งวันทั้งคืนนั่นท่านี้งศาสตาปลอมมาคอยเสียมสอนลุกแย่ให้จิตใจแตกเล้าจากธรรมะ แล้วหาความหุดไม่เจออันนี้มีอยู่ทุกขณะภายในใจธรรมาธรรมะจึงไม่สามารถที่จะแทรกเข้าสู่ใจิตใจดวงนั้นได้เนื่องจากสิ่งที่ปลอมแปลงหุ้มห่อเป็นแน่นอย่างแน่นหนาเนี่ยตรดทําความมั่นใจกับหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าจะยากลำบากก็ตาม เราอยากคิดถึงใครก่อนอื่นให้คิดถึงคำว่าพุทธังสนังกัจฉานินี่แหละศาสดาของโลกเป็นผู้แน่นยำทั้งการแนะนำสั่งสอนไม่มีผิดเพีย้ยนไม่มีเคลื่อนลาดจะตรัสไว้ถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เท่าที่พอประมาณนี้ก็าตามหรือจะมากยิ่งกว่านั้นที่พระองค์ท่านสอนเองก็าตามแต่ไม่มี เาวาดบทได้บาทได้เป็นความปลอมแปลงแม้แต่นี้แฝงอยู่ในเาวาดของพระพธธุทธเจ้าเองจึงสมนามมากสักขาตาธรรมปรับได้ชอบอิ่นไม่เหมือนอย่างพวกเราที่มีกิเลสตามธรรมดาของคนที่มีกิเลสทั่วๆไปพูดมากแต่ได้ผลน้อยมีความถูกน้อยแต่ความผิดมากมีผิดกันอย่างนี้พราะหลักเดิมเป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้ว ระบายออกมาจะเอาของจริงจังแน่นอนมาจากที่ไห น, นให้เต็มเม็ดเต็มหมูก็ต้องปลอมแปลงประธตำหลักเดิส่วนพระพุเทธเจ้าองค์พุทธะคือหมายถึงถ้าไทยนั้นก็บริสิทธกการดํานดเนินมาก็ดําเนินด้วยความถูกต้องผลจึงปรากฏเป็นความบริสิกเมื่อนําออกแสดงก็จะต้องนําสิ่งที่ถูกต้องออกมาแสดงใา้สารโลกได้ทราบซึ้งถึงใจ ถึงธรรมะของพระองค์ท่านแล้วดำเนินตามเนื่องจากธรรมะไม่เปลี่ยผู้ทิ่ตามเสด็จพ ร, ระพุทธเจ้ามีจำนวนเท่าไรซึ่งเราก็ทราบแล้วว่าสาวกอรหันนับประมาณไม่ได้ล้วนแล้วแต่ดำเนินตามหลักสวขาทธรรมที่กัดไม่ชอบมาจากความมืดสุดในพระทัยของโภคทั้งนั้นไม่มีอย่างอืงอ่นเข้ามาแฝง ไม่ว่าจะเป็นสมัยโน้นหรือสมัยนี้ก็ตามหลักธรรมเป็นอันเดียวไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างอื่นชี้ว่าถูกต้องถูกชี้ว่าผิดต้องผิดชี้ว่าทุกต้องเป็นทุกเช่นสัตรูธรรมทั้งสีนี้เคยมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมก่อนพระพธธุทธเจ้าตะะรัสรู้แต่ไม่มีใครสามารถอาจเอื้อนที่จะลูกฟื้นขึ้นมามีพระพธธุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถรุฟื้นขึ้นมาให้ปรากฏในพระไตยของของพระองค์ แล้วนำของจริงมันนั้นแหละมาประกาศสอนโลกไว้ทุกวันนี้ส่วนถุนไปไหนทำทั้งสี่ประเภทนี้นี่อยู่กับสัตว์กับบุคคลที่มีวิญญาณของด้วยกันทั้งนั้นจะต่างกันอยู่บ้างก็คือว่ามียิ่งกับหย่อนมันเกี่ยวกับเจ้าของผู้จะหนักแน่นหนักไปทางไหนถ้าหนักไปทางสมุทัยทุก็เพิ่ม หนักไปทางมากคือข้อปฏิบัติเพื่อกมจัดตนเองผลคือความดับทุกข์ก็แสดงขึ้นเรียกวันนิโรธเป็นลำดับหนึ่ง ม, มีอยู่เพียงเท่านี้ความจริงที่พระพุทธจเจ้าสอนไว้และไม่อยู่ห่างไกลาจากตัวของบุคคลตัวจะได้คาดคะเนไปตามสถานที่นั้นๆจะผิดจากหลักกัจธรรมมันแท้จริงทุกเกิดขึ้นในสถานที่ใด ให่ค้นหาต้นเหตุของทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเหตุใดทุกข์จึงเกิดขึ้นนี่เป็นหลักสำคัญที่จะให้ทราบต้นเหตุและรื้อถอนกันได้อาค้นไม่พบต้นเหตุแล้วจะไม่มีวันเจอของจริงขึ้นมาแม้ของจริงจะมีอยู่ภายในตัวก็เยียบย่ำไปมาดังที่อธิบายผ่านมาเมื่อสักครู่ น, นี้จิตที่จะ ไม่เป็นของจริงทั้งๆก็เป็นธรรมชาติที่รู้เช่นเดียวกับจิตตัวทั่วไปนับแต่จิตพระพุทธเจ้าลงมาเพราะเนื่องจากจิตของพวกเราเป็นจิตที่มีสิ่งปลอมแปลงแฝงอยู่ภายในตัวของมันฉะนั้นเมื่อคิดอ่านอะไรเรื่องอะไรออกมาระบายออกมาจากจิแตแสดงความกระเพื่อมฉนั้นก็เป็นของปลอมทั้งนม้เลยผลที่จะปรากฏเป็นที่แน่ใจจริงไม่ค่อย น, นั่นตูด่จนำหลักธรรมะเข้าไปซักพ่อจอิตใจให้ถือคําว่าพุทธังสนากขาฉามเป็นต้นของใจสมุยอย่านําความเหยียดคร้านลําคาญท้อถอยมาเป็นาศาสดาแทนองค์พระพุทธเจ้าจะกลายเป็นเทวทัศ์ขึ้นมาภายในตัวเองโดยไม่รู้สึกว่าตัวเป็นพระเทวทัศน์ในหลักธรรมชาติเป็นหนัน้น เพาสิ่งเหล่านี้ไม่เคยปรากฏทำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้ใดทางนั้นเมื่อได้ถูกสิ่งเหล่านี้ฉุดกไปนับแต่วันจะต่ำต้อยลงไปเป็นมือกำหนิดแม่ข้อวัดปฏิบัติซึ่งเคยเดําเนินมาด้วยความเขนแข็งในส่วนภายนอกก็ลดลงจิตใจที่เคยได้รับความสงบสุขเย็นสบายก็ลดลงปัญญาที่เคยชิดข้นบ้างให้เกิดความแ ย, ยบคลาย ได้อุบายต่างๆก็ลดตัวลงไปเต็นหลักเพราะสิ่งที่กล่าวนี้แลยเป็นเครื่องกำจัดหรือทำลายให้ของดีนั้นอับเฉาไปเสียดังนั้นโปรดได้คำหนึ่งถึงคำว่าพุทธังสนังกาฉานความลำบากก็คือพระพุทธเจ้าแลเป็นพระองค์แรลในการบำเพ็ญเพียรซึ่งได้รับความลำบากไม่มีใครจะสมูพระองค์ เรื่องความเพียกรก็ยกให้พระพุทธไจา่าความเพียรนั่นแลเป็นเครื่องแก้วความลํำบากลาบนภายในใจิตใจออกความทุกข์ความประมาณภายในใจิตใจออกได้หมดจนไม่มีอะไรเหลือเพราะความเพียรหากว่าเกิดความท้อถอยหรือเกิดความทุกข์ความลํำบากขึ้นมาโปรดได้รับ ถ, ถึงคําว่าพุทธทางเสนังกระฉามให้ถึงใจอย่าปล่อยวางเช่นเดียวกับคนตกน้ํา ให้า่ที่ยึดทาให้เชงนั่นก็จมน้ำตายหลักธรรมก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์ในวิธีการความลำบากลำบนพระองค์ผ่านมาทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นที่สงสัยว่าพระองค์จะเป็นบุคคลพิเศษจากโลกในขั้นเริ่มแรกต้องเด้ผ่านความทุกข์ความตรมาน ลำบากลาบนมาเช่นกับเราท่านๆหรือมากยิ่งกว่าเราเพราะกรรษัตริย์ออกทรงพระหนเคมไม่เค ย, ย, เค ย, ยทรงเลยรับความลําบากลาบนแต่ถึงการที่จะเป็นเพียงนั้นโทองค์ท่านก็ปรับองค์ของพระองค์ให้เป็นไปกับเหตุการณ์ได้จนสามารถผ่านพ้นไปได้แล้วกลายเป็นศาสด า, า, า, าของโลกตลอดมานี่เราได้คำรบประสาวไหมพระพุทธเจ้าอยู่ทุกๆวัน พอรู้บุญรู้บากรู้ดีรู้ทั่วก็รู้เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาด้วยความลำบากลำบนเราจะเห็นว่าเราลำบากคนเดียวจะเห็นว่าเรามีความเพียรกล้าแส้นสหัสเสียคนเดียวจะเห็นว่าเราฉลาดคนเดียวจะเห็นว่าเราได้รับความทุกข์ความลำบากเพียงคนเดียวคนในโลกนี้โดยแม่คำานึงถึงองศาสด า, าที่ได้เคยผ่านมาแล้วมากยิ่งกว่าเรา หากเราคิดถึงสาสนาเช่นนี้แล้วก็จะพอมีทางดาเงินเรียกว่าตามเสด็จพระองค์ท่านโดยทางความเพียรแล้วจะเห็นผลประจักษ์ดังที่พระองค์ท่านเห็นคือพุโทโธทั้งแท่นนี่คือว่าไม่ปลีกแวะตามทางที่เสด็จไปแล้วทำมังสนังคัจฉามนี้อันเป็นวาระที่สองนี้ ออกมาจากความเพียรออกมาจากความรู้สึกกลายเป็นธรรมะสอนโลกขึ้นมาทั้งครั้งทั้ังคาฉามีนี่เป็นวรรคที่สามเรียกว่าสาระที่สามนีท่านก็ดำตามเสด็จพระพุทธเจ้าที่พระองค์มีความภาคเพียรเช่นใดไม่ปีกแมะตามทางเดินที่พระองค์ท่านพาดำเนินพระองค์พาทุกก็ทุก อาลัมบากยังไงไม่ถอยหลังนำเนินมีเรียกว่าสเสด็จตามด้วยข้อปฏิบัติกำจัดความขี้เกียดทื่คลังความอ่อนแอลงได้ด้วยความเพียงมีชื่อว่าตามสเสด็จพระพุทธเจ้าเลกลายเป็นสถานะที่สามขึ้นมาให้โลกได้กลาวว่าเนี่สังคังแสงกระฉะนันไม่ใช่ผู้แตะทะลุขึ้นมาเฉยๆโดยไมมีต้องแทบล้มแทบตายเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า นั่นเราอยากเข้าใจว่าเรานี่มีความเพียรกล้ายิ่งกว่าครูครืศาสดาถ้ า, าเราคิดอย่างนั้นใจจะท้อถอยต้องทำความเข้มแข็งการพิจารณาทมฟังธรรมะในหลักปฏิบัติซึ่งได้เรียนมาพอสมควรเวลาเราอุปทุบท อ, อุปชายะก็สอนเราในหลักสำคัญอยู่แล้วว่าเกสาโลมานะขาทันตาแต่ตั โปรดยึดไว้ให้ดีนี่คือเครื่องมือหรือมรดกอันสําคัญที่พระอุปบาจะได้มอบให้เราผู้เด้บวชมาในพระศาสน า, ศาอย่าลืมนยึดไว้ให้ดีใ ห, ให้นําธรรมชาตินี่แหละเรียนอยู่ภายในตัวให้รู้ถึงหลักธรรมชาติแห่งความจริงที่ท่านมอบให้นี้ถ้าเราได้พิจารณาเห็นตามธรรมชาตินี้โดยหลักความจริงแล้ว เรเจ้ามีอะไรสงสัยในโลกนอกโลกในโลกนอกคือทั่วทั่วไปโลกในหมายถึงส่วนธาตขันธ์ของเราที่มีอยู่เป็นประจำเวลานี้แยกแย่เอาให้เห็นชัดเจนทุกข์ก็อยู่ที่นี่สมุทัยก็อยู่ที่นี่มากก็คือผู้แยกแยะพิจิตรพิจารณาตลอดถึงความเพียรเพื่อแยกเพื่อแยะเพื่อพิจิตรณิจารณาเียุว่ามากนิโรธาหรือว่านิโรธหมายถึงความ ดับความกังวลวุ่นวายภายในใจเขาได้เป็นลำดับใจกลายเป็นความสงบขึ้นมานี่เรียกว่านิโรธดับทุกข์ไปได้เป็นลำดับๆอย่างนี้เริ่มดับทุกข์ตั้งแต่เริ่มดําเนินมรรคคือข้อปฏิบัติดับไปเรื่อยๆเมื่อถึงจุดสุดท้ายแล้วก็ดับในขณะเดียวไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่นั่นทันดียวะนิโรธอันสมบูรณ์ฆ่าสึกก็หมด ธรรมชาติาสิหมายถึงสมุทยัยสิ่งที่คอยยุ่ยแย่ทําให้จิตใจแตกเล้าวจากความภาคเพียรจากอักจากทาําเดินจังกรมพออยู่ก็าตามนั่งสมาธิอยู่ก็าตามถ้าว่าธรรมชาตินี้เข้ามายุ่ยแย่แล้วจะต้องทําให้แตกทาลายไปได้หรือเกิดความขี้เกียจความเุ่งสานลาคาญทําไปก็ลําบากลําบน ทำบัตรทนายก็ลำบากลำบนไม่เห็นผลนี่นี่จะเกิดความท้อใจขึ้นเพิ่งทราบว่านีแล้ว เ, เราได้ถูกธรรมชาตินั่นโอ้มุ่นเราแล้ ว, ลวเราต้องทําความเข้าใจไว้เสมอนี่ไม่ใช่ศาสนาความคิดแค่ น, นี้ไม่ใช่ดําเนินตามหลักของศาสนาที่สอนไว้แต่เป็นความคิดที่ปิดแวะจากแนวทางแล้วโปรดทราบว่านั่นคือความคิดผิด ถ้าคิดฝืนคิดไปมากก็ผิดมากคิดไปมากยิ่งกว่านั้นก็ไม่มีทางเลยตัดหนามกั้นทางตัวเองหาทางไปไม่ได้แล้วกลายเป็นคนจนกรอบจนมุงเราต้องการหรือเราเกิดมาในโลกนี้บวชมาในศาสนานี้ต้องการเป็นคนจนมุงศาสนาของเราไม่ได้สอนเพื่อความจนมุงธรรมะทุบททุบบาทไม่ได้สอนให้คนจนมุงทําไมเราจึงจะเป็นคนจนมุงเสียท่าเนะ ตรงกันนั่นหรือก็ว่าเราเป็นลูกศิษย์ที่มีครูมีไม่ตรงเราต้องทําความรู้สึกตัวขึ้นมาเสมอมีเบบวิธีสอนตนต้องสอนอย่างนี้อุบายต่างๆเราจะนําจากครูอาจารย์แต่สอนทุกเนี่ยทุกมุมนั้นไม่ทันกับเหตุการณ์ที่แสดงขึ้ น, นกับตัวเสมอเราต้องชาติความคลิกแพงเปลี่ยนแปลงในไหวพลิบปัญญาของเราให้ทันกับเหตุการณ์เรานํามาจากครูบาอาจารย์เพียงเป็นชิ้นเป็นอันเท่านั้น ไม่ได้มาทุกกระทมหรือไม่ได้มาทุกแน่ทุกมุมเพียงเป็นข้อคิดแล้วละนาาํามาใช้ภายในตัวของเราสาคัญที่สุดก็คือให้พิจารณาหลักมูลกรรมฐานที่อุปชัยยศท่านมอบให้นี่แหละหลักปริยัติที่เราจะไม่เรียนมากให้ออกเท่านี้ก่อนนะเรียกว่าปริยัติแล้วนะท่านสอนแล้วเราเรียนแล้ว เกษาลุมานะขาตันตาตัดจุดี่เอาเท่านี้ซะก่อนถ้าเรายังไม่สามารถแล้วให้พิจารณาเพียงเท่านี้ก็พิจารณาความหมายให้ดีคําว่าเกสาหมายถึงอะไระฐานที่เกิดที่อยู่เป็นยังไงดูให้ดีดูในตัวของเรานี่เนี่เนี่ยเราเราจะรือ้อถอนคํามลุ่มหลงเป็นปุ่มเป็นก้อนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขา ออกได้จากอันนี้หลยจากคาว่าเกศานี่เลยพิจารณาให้ถึงฐานความจริงเราเห็นตามถนนลู่ทางเป็นยังไงบ้างาแล้วเมื่อมาเห็นอยู่กับคนเป็นยังไงผมก็เป็นผมอันเดียวกันเขาตัดทิ้งเกลื่อนอยู่ตามถนนลู่ทางในร้านตัดผมเขาเป็นยังไงเราตื่นเต้นไหมเวลามาเห็นอยู่กับคนทำไมตื่นเต้นถ้าอย่างนั้นเป็นความคิดผิดหรือคิดถูก ทั้งๆที่เป็นผมเช่นเดียวกันทําไมจึงเกิดความรู้สึกอย่างนในเมื่อเห็นผมอยู่กับบุคคลและกํานอกจากบุคคลไปแล้วทําไมจึงแปลกกันในความรู้สึกทั้งๆที่ธรรมชาตินั้นอันเดียวกันเราต้องนํามาพิจารณานี่ก็คือความหมายของใจของเราซึ่งแสดงความหลอกลวงเราไม่ตรงตามความจริงถ้าตรงตามความจริงแล้วอยู่ที่ไหนต้องเป็นผมเหมัอนอ่นวาง ตนให้ถูกต้องกับสิ่งที่มีอยู่ตามหลักความจริงของเขาไม่ว่าจะอยู่ในกายไม่ว่าจะอยู่นอกกายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องวางตนคือใจนั้นให้ถูกต้องตามหลักความจริงแล้วจะไม่ตื่นเต้นผมก็ผลเช่นเดียวกันเล็บเหมือนกันฟันหนังเนื้อเองก็ดตรวเทียบเคียงดังที่อธิบายมาเปยนอันเดียว หรือจะไม่เข้าใจาถ้าไม่เข้าใจจะแยกอีกเล็กน้อยตาโจท่านว่าตาโจหนังหนังรองเท้ากับหนังเราผิดกันอย่างไรบ้างหนังที่นอกตัวของคนแลสัตว์กับหนังของคนแลสัตว์ผิดกันอย่างไรบ้างก็คือหนังอันเดียวกันออกไปไว้ข้างนอกก็คือหนังอันเดียวกัน อยู่กับตัวก็คือหนังอันเดียวกันก็เช่นเดียวกับผมอีกพลิกข้างในออกข้างนอกดูให้เห็นชัดเจนเฮียภาคปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้อย่าให้ฝืนความจริงคนไม่มีหนังสัตว์ไม่มีหนังดูกันไม่ได้เท่าที่พอดูได้เพราะหนังหุ่มหอก เราพิองมาให้ดูให้เห็นชัดเจนแล้วเราจะไม่เป็นข้อกังวลและเป็นเครื่องกดทุวงจิตใ จ, จเพราะสัญญาอารมณ์ของเราเองเนี่อที่เรียกว่ากวา้ว า, นวานเที่ยวกว้านออกมาทับถมตัวเองให้เกิดความหนักอึ้งตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาตรงติดตรงใจเลยไดเพราะเที่ยวแบกบเที่ยวหามเสกสรรตั้นยอขึ้นมาเองโดยหาความกินไม่ไม่ได้นี่เมื่อสิ่งที่ไม่มีมูลมันก็ปลอมสิ่งที่มีมูลแล้วต้องกินเสมอ ความคิดเช้นนั้นหามูลเหตุไม่ได้เราต้องค้นเข้าไปถึงมูลเหตุเราจะเห็นของจริงเนื้อเป็นยังไงเมื่อหนังออกแล้วมันก็เห็นทีเดียวแล้วนื้อมันเป็นยังไงเป็นกระดูกเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นชิ้นเป็นอันเราเห็นอยู่ตามถนนนู่ทางเป็นยังไงมันผิดแปลกอะไรกลับอยู่ในตัวของคนและสัตว์ นอกกับข้างในมันเหมือนกันถ้าพิจารณาให้ถูกตามหลักความจริงแล้วไม่มีทางตื่นเต้นนี่แหละท่านเรียกว่าเครื่องมือที่วิชาจะท่านมอบให้ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่จําเป็นจําเป็นอย่างยิ่งถ้าเราจะทําตัวของเราให้เป็นคนสําคัญเราต้องเห็นธรรมเหล่านี้เป็นของสําคัญประจําองค์ของพระของนักปฏิบัติ หรือของผู้มีธรรมะหรือลูกสิทธิ์มีคลิต้องเอาหลักธรรมะของครูมาข้ามสอนตัวเองจิตใจจะพุงเฟ้อเหมมไปสักเท่าไหร่กว่าตามจะทนคำนบอันใหญ่คือหลักธรรมที่อธิบายมานี่ไปไม่ได้อันนี้และเป็นเครื่องกั้นความร้นฝั่งของจิตเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็พิจารณาลง เห็นตามหลักความจริงแล้วจะพุ่งเพ้อเหิมไปที่ไหนมันเข้ามาเองเข้ามาสู่ความสงบเย็นใจสมาธิได้ยินแต่ชื่อก็จะเห็นตัวของสมาธิขึ้นไปในใจตัวที่เห็นสิ่งทั้งหลายชัดเจนแล้วกลับตัวเข้ามาเป็นความสงบสุดนี่ท่านเรียกว่าสมาธิในหลักใจจริงๆคือเย็นสาบายที่อธิบายไปนั่นเป็นเรื่องของปัญญาแยกเนี ปัญญาก็ตามเมื่อปัญญาได้เห็นชัดเน่นแล้วความสงบของใจจดเป็นมาทันทีกลายเป็นสมาธิห น, นึ่งเป็นอุบายหนึ่งอุบายหนึ่งเราจะกาหนดโปรยกรรมในธรรมบทใ ด, ดเช่นอนาปานสติเป็นต้นดูให้ถึงเหตุถึงผลของลมเราไม่ต้องไปปรุงเอามากผลนิพานที่ไหนะให้ดูลมลมก็คือกายอันหนึ่งเหมือนกันเมื่อจิตได้รับสัมผัส อยู่กับลมซึ่งเป็นกายชนหนึ่งทัน แ, แล้วจิตก็กลายเป็นปัจจุบันนักจิตขึ้นมาเมื่อตั้งเป็นปัจจุบันนักจิตแล้วจะเห็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันนธรรมภายในตัวของตนและเห็นปัจจุบันนักจิตของตนคือสงบลงไปเย็นใจขึ้นมานเป็นเป็นวิธีหนึ่งวิธีแยกแยะนั้นเรียกว่าปัญญา ก็เป็นเครื่องทำราจกิจสมาธิก็เป็นเครื่องตะล่อมจิตให้มีความสงบเย็นใจเป็นต้นทุนเพื่อปัญญาคือเพื่อหนุนปัญญาให้มีความแยกขาะทันว่าจิตสมาเป็นสมาธิแล้วพิจารณาปัญญานั้นเป็นความถูกต้องหาที่พา้นไม่ไ คือตามธรรมราจิตที่มีความหิวโหยวุ่นวาอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะพิจารณาเป็นเป็นปัญญาโดยมากเป็นสัญญาอารมณ์ไปเสียเทิบขณะเดียวก็ต้องเป็นอื่นไปแล้วแต่จิตที่มีความสงบเย็นใจยอยู่แล้วพิจารณาอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันเพราะความหิวโหยเป็นเรื่องสําคัญก่อควรมากทีเดียวเช่นอย่างธาตุขันเราหิวโหยนี่เราก็ทราบ จะทําการทํางานอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันไทยก็ไม่ดีเพราะความหิวบังคับทําอะไรก็พูดผูดพูดพลาดใครมาพูดขัดหูเล็กน้อยก็โกรธเคืองเขาดีไม่ดีโกิดทะเลาะกันเพราะความหิวเป็นต้นเหตุก็มีนี่เพียงทางนี้ก็พอทราบได้ว่าจิต ท, ที่มีความหิ ว, หวจะเพี่นะให้เป็นอดเป็นทําอะไรลำบากไม่ค่อยได้วความชัดเจนฉะนั้นท่านจึงอบรมให้มีสมาธิหรือความเย็นใจ เหื่อใจรับความเย็นใจก็ก็เหมือนกับว่าคนรับทานอีกแล้วจะทําหน้าที่การงานใจก็สมายธาตุขันก็สะดวกใจที่มีสมาธิพิจารณาอะไรก็เป็นอัดเป็นธรรมตรองอะไรก็เป็นเรื่องตรองจริงๆมีเหตุมีผลไปอย่างพ่อมมูลเพราะจิตไม่หิวโหนวิ่งเต่นไปนู่นไปนี้มีสมาธิอบรมปัญญาอบรมอย่างนี้หากว่าจะมีถึงแต่เราจะพิจารณาอย่างนั้นมันไม่ได้ผล ก็นำปัญญาออกมาพักัดลัดกัน้นตีตะล่อมเข้ามาให้จนหมอบด้วยเหตุผลนี่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิคือให้เป็นสมาธิขึ้นมาในทั้ ง, ท, งทั้งทั้งที่กําลังฟุ้งเฟอเ้อเหื่อมอยู่นั่นแหละปัญญาสามารถยับยั้งเอาไว้ได้ไม่ผ่านพ้นอนํานาจของปัญญาไปนี่เป็นวิธีหนึ่งทั้งสองวิธีนี้เพื่อเรา ผล ค, คือความสงบเงย็นใจเห็นเหตุเห็นผลเช่นเดียวกันโตรวจนำไปปฏิบัติต่อตอนเองตามโอกาสที่เห็นมาสมควรจะปฏิบัติต่อแง่ใดในวิธีการทั้งสองประเภทนี้ความเย็นใจจะเห็นขึ้นมาภายในใจธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไปที่อื่นให้บุคคลได้รับความทุกข์ความลําบากนอกจากจะสอนให้เห็นความสุขเห็นความจริงคนเราถ้าเห็นความจริงแล้วต้องเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวาย นอกจากไม่เห็นความจริงเท่านั้นจึงลำบากลำบ น, น, นีีอธิบายถึงเรื่องมูลกรรมฐานเป็นเครื่องมือของเรานำไ ป, ไปใช้ในสงครามระหว่างขิดกับขี้เละมีเป็นสงครามมันใหญ่โตสงครามถึงกับต้องให้ก่อพบก่อชาติอยู่ตั้งกับตั้งกันหาที่ ออกไม่ได้ไม่มีช่องที่จะออกแล้วเครื่องมือนี่แหละไปใช้บุกเบิกห น, นทางเดินของกิจให้เป็นไปเพราะความราบรือนและปลอดภัยพระพุทธเจ้าก็ราบเรืนปลอดภัยด้วยอุบายวิธีนี่แล้วจึงได้มาสอนโลกเราดำเนินตามทางสายนี้จะไม่ผิดหวังคำว่ามัชชิ ม, มาปรดฟังให้ถึงใจ เป็นศูนย์กลางเสมอทั้งภาคปฏิบัติคือฝ่ายมากทั้งผลที่จะพึงได้รับมีอยู่กับตัวของเราปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามัชชิ ม, มาผลจะแสดงขึ้นมาเป็นลำดับ น, นักปฏิบัติถ้าชอบเป็นนักค้นคว้านั่นแหละจะเป็นไป น่าอย่างรวดเร็วนายูเฉยเฉยอิยาบททั้งสี่ให้เป็นประเดิกสติด้วยปัญญาใจให้อยู่ในกรอบของสติของปัญญาสมุอจะชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนถ้าปราศจากทำทั้งสองประเภทนี้แต่ส่วนใดส่วนหรือทั้งหมดก็แสดงว่าขาดเพื่อนคุ้มครองป้องกัน ใครเข้ามาได้ง่ายหลักวิชาทั้งธรรมะทั้งหมดนี้เพื่อรักษาใจรักษาตัวของเราให้ปลอดภัยดูยให้มีธรรมะไปก็ให้มีธรรมะความเคลื่อนไหวของจิตทุกๆระยะให้ทราบเรื่องความเคลื่อนไหวของตนเสมอสติกับจิตอยู่ด้วยกันในใจตรงเดียวกันทําไมจะไม่ทานกันเมื่อ ตั้งหน้าจะพิจารณากันดีนอกจากจะทอดทุระเท่านั้นแล้วถึงจะไม่สั่เพียงขั้นสมาธิก็เย็นใจแล้วมีทางหายใจได้ทางไม่ไม่มีความสงบโดยลำบากการปฏิบัติ รับความสงบเป็นต้นทุนแรกก่อนพอบุญถูตายกันไปถึงจะลำบากก่อนมีทางหลบหลีกแต่นั่นก็พิจารณาทางด้านปัญญาเส ม, มอปัญญาข้างนอกข้างในเป็นเรื่องของใจอันเดียวกันทำอะไรให้มีเหตุมีผลอย่าทำแบบคุมเดาไม่สมกับหลักธรรมของพระเจ้าทึ่ม่งเต็มไปด้วยเหตุผล ความเคลื่อนไหวไปมาทำหน้าที่การงานไม่ว่าข้างนอกข้างในให้ถือเป็นกิจวิทหรือความเพียรประจำไปเสมอการค้นคว้าไตรตรองเบื้องต้นก็ฝืดเคืองลาบากแต่เมื่อค่อยฝึกหัดไปเสมอเสมอก็ค่อยคล่องแคล่วปัญญาเมื่อรับการส่งเสริมหรือการหนุนด้วยความเพียรเพื่อค้นเพื่อคิดเสมอ ก็จะมีวันคร่องแถวจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปจนกลายเป็นปัญญาที่ทำหน้าที่ของตัวไปโดยลำดับโดยไม่ต้องถูกบังคับบัญชากดขี่เหนือนอยยังแต่ก่อนมีอาศัยการฝึกหัดนี่แล่สาคัญความเพียรทุกๆุกประโยคไม่ใช่ว่าจะต้องถูกจะต้องได้รับหรือว่าต้องถูถ่ายกันไปทุกๆระยะการตั้งแต่ต้นจนอวสาน ไม่ใช่อย่างนั้นเบื้องต้นก็ต้องถูถ่ายกันบ้างเพราะยังไม่ทราบเหตุจากผลเช่นเดียวกับเด็กที่ไม่รู้หน้าที่การงานผลของงานก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงพ่อแม่ต้องคอยบังคับบัญชาถ้าเผลอแคบเดียว<อ>เด็กก็วิ่งหนีไปแล้วพอเติบโตขึ้นมารู้ผลของงานและรู้หน้าที่ของของการงานไม่จําเป็นจะต้องบังคับกันตลอดไปมีใจเมื่อเห็นผลจากความเพียรของตนแล้วก็อย่อมเป็นเช่นนั้น ความพยันมมันเพียนทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาจิตจะค่อยหมุนตัวขอ ง, ของตัวเองไปจนกระทั่งถึงกลายเป็นธรรมจักรสติปัญญากลายเป็นธรรมจักรไปอยู่ที่ไหนก็เป็นสติเป็นปัญญาอะไรจะมาสัมผัสหรือไม่ไม่สาคัญเพราะจิตแสดงตัวอยู่เสมอคือความกระเพื้อมจากความคิดความปรุงของใจแล้วเรื่องความสัมผัสก็จะมีอยู่เสมอเช่นเดียวเพราะตาหูจมูกลิ้นกายมี สิ่งภายนอกมีอยู่แล้วที่จะมาสัมผัสการได้รับสัมผัสนั้นและเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนสติปัญญาให้ออกทำงานมวีวิธีดําเนิงทางด้านปัญญาเมื่อถึงขั้นที่สามารถจะดำเนินโดยลําพังตนเองแล้วเรื่องบังคับบัญชากันนั้นไม่จําเป็นถึงการจะพักสงบกิจ ให้มีความเย็นใจเราก็ต้องสาบเหื่อมของเราเองแล้วพักให้สมายถอนออกมาจากความสงบแล้วให้พิจารณาทางด้านปัญญาอะไรมาสัมผัสเรื่องของใจลักจะประกาศตัวเสมอสัมผัสท่าเรื่องอันนี้จังทุกขังอัตตาจะบอกขึ้นมาทันทีเหมือนกันข้างนอกก็แสดงอย่างนั้นข้างในที่แสดงออกนับกันก็เป็นใจลักเช่นเดียวกันเป็นธรรมทั้งหมด คำว่าตรายรักก็คือหินรับของปัญญานั่นเองพิจารณาเป็นตรายรักแล้วใจก็ฉละปล่อยวางได้เป็นลาหนับลาหนับรูปกายหมายถึงกองธาตุสี่เราจะพิจารณาข้างนอกกายนอกก็ตาม กายของเรานี่กว่าตาจัดเป็นสติปัฏฐานหรือสัจจะเช่นเดียวกันเหตธนาข้างนอกกว่าตามข้างในกว่าตาเราเห็นเขาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนรลนมาพิจารณาเทียบเทียงกับเรื่องของเรามันมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรอันนี้เขาจัดว่าเป็นมรคคือทางดำเ น, นินเพื่อรู้เรื่องของสมุทัยและถอดถอนออกได้ นิโลธานี่ยมีเป็นผลที่จะค่อยระงับความทุกข์ไปได้ด้วยอำนาจของของมรคคือข้อปฏิบัติจะทำงานโดยลมพังตนเองไม่ได้เรื่องนิโรธะของเป็นเรื่องของมรคเป็นผู้ทำงานผลก็แสดงตัวมาเช่นเดียวกับความอิ่มการนับทานเป็นงานความอิ่มไม่จำเป็นจะต้องไปปรับปรุงให้มันเต็นขึ้นมาการนับทานเป็นกรหนุนให้มีความอิ่มขึ้นมาเป็นลำดับลำดับอยู่แล้ว นี่เป็นอย่างนั้นทีละเอียดก็คือพวกเวทนาทางใจมีสสำคัญมากเวทนาทางกายไม่สำคัญนะแต่ก็สำคัญสำหรับจิตที่อยู่ในขั้นยากเพราะฉะนั้นเวทนาทางกายจึงสามารถครอบิดให้เผลอตัวไปได้บางรายเวลาจะล้มจะตายไม่มีสติเลย นี่เราก็เห็นเพราะมันหนักมากอยู่แต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติได้พิจิตพิจารณารู้เรื่องของเวทนามาพอสมควรแล้วเวทนาเหล่านี้พอท้านทานหรือหลบหลี ก, กันได้ด้วยหลักของสติปัญญาที่เคยพิจารณามาแต่ส่วนที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ยังมีคือเวทนาทางใจมีสําคัญมีความสุขเมื่อทุกข์ทั้งส่วน ส่วนที่จหยากหมดไปก็สุกส่วนที่ละเอียดปรากฏขึ้นมามีความละเอียดของเวทนาทุกขเวทนาก็มีจิตมีความอับเฉาบ้างหุ่นมีความบอบช้ำในเวลาพิจารณามากๆก็แสดงเวทนาขึ้นมาอย่างละเอียดละเอียดให้มีความเหน็ดเหนื่อยภายในจิตใจแต่นี้ท่านก็เรียกของเวทนาแต่เรื่องของปัญญาแล้วจะต้องย้อนมาทราบกันหมด จะเป็นเนทนาประเภทใดก็าตามต้องทราบกันไปเป็นระยะระยะจึงจัดว่าปัญญาทันเหตุทันการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องอันดั้งเดิมแต่อาศัยธรรมชาติ ด, ดั้งเดิมคือจิตนั่นเกิดขึ้นเนืทนาคือความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดี มีการเกิดการดับมีการเปลี่ยนแปลงกันไปได้ น, นั้นจึงไม่จัดว่าเป็นของดั่งเดึ่งปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดตามสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปพิจณาซ้ํซ้ำสักๆอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งมาอะไรปรากฏ อยู่ในความรู้สึกนั้นมีอะไรปรากฏขึ้นสัมผัสขึ้นมาภายในตนเองปัญญาต้องพิจารณาตามให้ทราบเสมอกับสิ่งที่สัมผัสความสัมผัสนั้นแหล่คือทางเดินของปัญญาต้องอาศัยความสัมผัสเ ป, เป็นทางเดินคือพิจารณาตามสิ่งที่สัมผัสและปล่อยกันไปเป็นลำดับๆจนสามารถเข้าถึงจุดอันสำคัญของกิ ในตัวจิตจริงๆก็มีธรรมชาติอันหนึ่งแทรกซึมอยู่ภายในดวงจิตนั้น